หยุดคุยได้แล้วคุยพอสมควรแล้วเวลาว่างๆนะภาวนาอย่านั่งคุยภาวนาไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ยังดีบางคนจะชอบขยับอยับร่างกายนะก็ใช้ได้ แต่ขยับแล้วอย่าอยาลืมตัวเองบางคนนะ่ะขยับขยับไปใจหนีไปแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้มีสติรักษาใจของเราไว้ให้ต่อเนื่องที่นี่นกเยอะนะมีนกมีไก่ป่ามีอะไร เช้าเช้าร้องกันระงมเลยถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยนกจะร้องเยอะนกมันจะจับคู่มีกาว่าไหลายตัวนะร้องแข่งกันประการอาณาเขตนกเนี่ยไม่หยุดปากเลยคล้ายๆพวกเราช เมืมันหลงเก่งถึงได้เป็นสัตว์เดรัจฉานย่ามรู้สึกตัวได้ๆจะได้ไม่ต้องไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปได้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์มีอยู่สองภูมิที่พวกเราจะไปอยู่ได้เป็นเทวดากับมนุษย์ถ้ามีฌาน ก็มีโอกาสได้สามภูมิใด้เทวดาพลมนะแล้วก็มนุษย์เป็นได้ถ้มีแต่กิเลสเยอะแยะตายไปด้ดยอำนาจกิเลสก็ไปอาบายสังเกตไหมสัตว์ฝูงหนึ่งเยอะแยะเลยอย่างปลาฝูงหนึ่งนะเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพันสันเดาฉานเยอะ สัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกเป็นสัตว์ก็ไปเกิดด้วยโมหะหลงไปถ้าเกิดด้วยโทสะก็ไปเกิดในนรกเกิดด้วยโลภะก็ไปเป็นเปรตงนเกิดด้วยจิตใจอ่อนแอไปเป็นอสุรกาย ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี mm hmm. ตายไปด้วยจิตใจที่มีศีลรำรนะ mm hmm. เป็นมนุษย์มีศีลห้าข้อไนดะ้เป็นมนุษย์แนละน้นศีลห้ามันไม่ใช่ของใหม่คือของเก่าที่พวกเราเคยทำมาแล้วละ่ะเราถึงมานั่งหน้าแป้นแลนด์อยู่ตรงนี้นะ mm hmm. เป็นมนุษย์ ไม่งั้นต้องเป็นเน่ยร้องเอกนี้เอก อ, อ, อยู่เนี่ยนะสัตว์ไม่พูดมากร้องเป็นเวลาร้องด้วยเหตุผลแต่คนเนี่ยพูดมากฟุง้งลงแต่งเยอะขรานี้เลยเงียบเลยรู้สึกไหม เพราะเมื่อกี้ตอนหลวงพ่อมานะจกแจ๊กจกแจ๊กไม่ยอมเลิกยังมันไม่จบเรนิสัยอย่างนี้นภาวนาลำบากมีเวลาบ้างก็เอาไปเล่นเอาไปคุยเดี๋ยวลองดูอีกทีตอนหลวงพ่อสอนเสร็จนะบอกให้พวกเรากลับบ้านเสียงนี้ระงมเลยเสียงจกแจ๊กจกแจ๊ก ตอนที่หลวงพ่อสอนพระเนี่ยโอ้โหเสียงพวกเราหน้าเกลียดไม่ใช่หน้าฟังนะหน้าเกลียดเพราะว่า อ, อะไรเราพูด้วยความไม่มีสติทำโดยไม่มีสติหน้าเกลียดทั้งนั้นแหละอย่างหลวงพ่อดูหนังนะก็ไม่สนุกตั้งแต่เป็นโยมแล้วจิตระไวเห็นคนเล่นหนังหลงอนะ่ะ บางทีก็แกล้งนะทำบทร้องไห้น้ําตาไหลอะไรข้างในมันหัวเลาะใจก็ฟุง้งลำพองว่าทำให้คนเกิดอารมณ์คล้อยตามได้อย่างี้เรามีสติเราก็ไม่หลงตามที่คนอื่นเขาบิวเรา เราถูกบิวตลอดวันนะต้องระมัดระวังโฆษณาสินค้าทั้งหลายนะั้นบิวเราทัดทั้งนั้นนะอินเทอร์เนต็ตก็บิลเราก่อนหน้านี้ก็ด่าเมนใช่ไหมว่ามาโกงขนของเราว่าขนเป็นของขเมนคนไทยเอามาจากเมนไม่ด่าโกรธพอยูเนสโก ให้ขนของเราเนี่ยเกรดสูงกว่าของขมิญขมิเป็นขนที่วัดแห่งหนึ่งเท่านั้นเองเอาไว้เล่นขอฝนไม่ได้กว้างขวางทั้งประเทศแบบเป็นเจ้าของขนอะไรเงี้ยเราได้ข่าวนี้รู้สึกสะใจจิตเรสเกิดจนได้นะทีแรกกลัวเขาแย่งเพราเขาแย่งไม่สาเร็จต้จสะใจ ที่ก็ไปด่าเขาต้องเห็นใจเขานะสมัยที่ขมินแดงเข้ามายึดขมนะนมายึดเมืองขมินนะ้นฆ่าปัญญาชนสมบทประเทศเนะี่ยคนมีการศึกษาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าแบบขมินแดงยึดได้นะเอาจอบสับหัวหมดนะไม่เสียลูกปืนนะม่ใช้จอบสับเอาฆ่าคนไปเป็นล้านๆเลย พวมีการศึกษาเพราะงั้นไอการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยขาดช่วงน่าสงสารเขาไม่รู้จักประวัติทรงประวัติศาสตร์แลยไม่ค่อยรู้เลยนกะ็คิดอะไรก็ามาโนเอามาโนนเราเข้าใจเราก็ไม่โกรธหรอกน่าสงสารน่าเห็นใจเราบุญเราไม่โดนแบบเขานะ เขารอดชีวิตมาได้ก็บุญแล้วต่อไปส่งกันบ้านกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้เห็นใจที่มันแน่นมากค่ะข อ, อกันบ้านค่ะรู้ปัจจุบันใจแน่นรู้ว่าแน่นใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะแน่นแเพราะเราไปบังคับใจควบคุมมัน ไม่บังคับไม่แน่นหนอกรู้ไหมว่าดีขึ้นเยอะแล้วดวูออกป่ะออกครับนั่นแหละภาวนามาได้ดีแล้วล่ะอย่าไปบังคับใจให้นิ่งเท่านั้นแหละรู้ตัวไปสบายสบายให้เป็นธรรมชาตินะรู้สบายสบายไปยไงตอนนี้ใจลงไปคิดรู้ว่าใจลงไปคิดนะรู้ทันใจของเราไปได้วยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ไปทำอีก ครับไม่มีปัญหาหรอกอ้าวคนนี้เห็นใจที่ฟุ้งซ่านไหมดูออกไหมเวลาใจฟุ้งซ่านไม่ห้ามมันนะแล้วก็ไม่ว่ามันไม่ห้ามมันไม่ว่ามันครับเห็นมันฟุ้งซ่านถ้าเราไม่ชอบเราก็จะไปเพง่งใจจะแน่นๆเจอึดอัดปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วรู้ไปครับนะมันฟุ้งซ่านรูร้วา่าฟุ้งซ่านมันสงบรู้ว่าสงบ นะมันดีรู้ว่าดีมันชั่วรู้ว่าชั่วมันสุขรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกรู้อย่างนี้นรู้ไปเรื่อยๆทุกวันอันนี้สําหรับทุกคนเลยนะทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบไม่งั้นจิตไม่มีแรงหลับนะของคุณไปฝึกต่อนะใจมันยังฟุง้งอยู่ก็รู้เอาร ร, า ร, ออรู้รไหมกิเลสตัวไหนของเราเยอะ ดูออกไหม <c ười> คิดว่าทราบค่ะบอกให้ชื่นใจสิยังยังชอ บ, บชอบสวยชอบงามชอบชอบงานปักอเออนะให้รู้เฉยๆแหละไม่ต้องห้ามมานันหรอกถ้ามันไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่เป็นไร ย่งบางคนชอบเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยชอบชอบมากนั่นแหละนะชอบครับค่ะหมดเวลาไปกับมันก็เย็บได้แต่ว่ามีสติไปที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องไหมคะอยากาดีขึ้นเยอะแล้วล่วะทีนี้ตอนที่เราทําอะไรต่ออะไรนะพยายามมีสติรู้เท่าทันใจของเราไป ไอ้คนจีนกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอมีคนจีนเขามามาฟังเองครับหลวงพ่อมาฟังเองทราว่าไปเวลาเขาดูเวทนาทางร่างกายจะรู้สึกว่าบวดหัวมากเขาอยากจะรู้ว่าคือเขาคนเปลี่ยนเป็นรู้สึกถึงความเวทนาทางกายทางมือกับทางขาได้ไหมครับเปลี่ยนครับ เปลี่ยนไปดูเวทนาทางใจใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้นะดูเวทนาที่ใจเวทนาที่ใจมีสามอย่างมีความสุขทางใจมีความทุกข์ทางใจมีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจทั้งวันมีสามอย่างนี้นะดูแลไม่ปวดหัวเวทนาทางกายดูยาก ต้องส่งสมาธิต้องทรงฌานถึงจะดูได้ดีถ้าไม่มีสมาธิเราไปดูเวทนาทางกายเนี่ยจิตใจจะทนไม่ไหวที่ปวดหัวตัวร้อนไปเลยเพราะฉะนั้นหัดรู้ทันเวทนาทางใจนะใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้หัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยเรนะืมันพัฒนาได้เหมือนกันนหะ เขาเรียนธรรมะประมาณหนึ่งปีแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเขาวิหารธรรมไหนจะเหมาะ ก, กับเขาครับที่เราฝึกอยู่นะใช้ได้นะที่ปฏิบัติมาปีหนึ่งเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนไปเยอะและ้วจิตใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตกระขันก็แยกออกจากกันอย่างร่างกายกับใจเราก็เห็นแล้วว่ามันคุลาอน ความรู้สึกทั้งหลายกับจิตใจเราก็เห็นได้แล้วว่าคนละอันต่อไปเราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเวลาร่างกายทำงานก็เห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานเวลาความรู้สึกมันเกิดก็เห็นว่าแค่ความรู้สึกมันเกิดไม่ใช่เรารู้สึกอย่างความโกรธเกิดก็เห็นว่าความโกรธมันเกิดไม่ใช่เราโกรธเวลาใจมันไหลไปคิดไหลไปดูไหลไปฟังก็รู้ทันมันก็เห็นว่าใจมันก็ไหลไป ไ, ปได้เอง คอยรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆที่ปลึก อ, อยู่ใช้ได้นะคนนี้จิตใจปฏิบัติมาดีแล้วอย่างขณะนี้จิตมีความสุขแล้วก็พอไปดูมันจงใจดูมันจะเพ่งมันจะแน่นๆขึ้นมาอย่าไปเพ่งมันให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอามันจะรู้ได้สบายๆนะทำดูสบายๆ เขาเจอดูลมหายใจให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาภาวนาถูกหรือเปล่าครับหายใจไปถูกนะหายใจไปอย่างเงี้ยไม่บังคับจิตให้มันนิ่งๆหายใจไปสบายๆตอนตอนนี้บังคับมากไปนิดหนึ่งล้วมันจะแน่นๆรู้ไปสบายๆ อย่าไปบังคับใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดหายใจไปนะแล้วก็ใจเราไหลไปคิดก็รู้ใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ฝึกหายใจก็ฝึกให้ได้อย่างที่ว่านี้ฝึกหายใจแล้วก็รู้ทำใจไปจะเรียกว่าหายใจเป็นถ้าฝึกหายใจแล้วบังคับให้จิตนิ่งๆไม่เป็นหรอกอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แค่คอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปไหลมาเขาเป็นคนใหม่เขาอยากจะรู้<ม>ว่าเขามีอะไรเออคนปรับ ป, ร, ป, ร, ป ร, รับปรงับถามคว้างไปนะคนปรับปรุงเนี่ยทุกอย่างเลย อย่างตอนนี้ใจมันจดจอ่อรอฟังคาตอบรู้ทันไหมว่าใจจดจอ่อหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปสบายๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ก็ดนะีแต่ถ้าบอกต้องพัฒนาอะไรต้องแก้อะไรยังมีงานที่ต้องค่อยๆฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆนะที่ทำมาเนี่ยถือว่าดีแล้ว ต่อไปนี้เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองจิตใจเราสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้จิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้แหละง่ายๆผู้หญิงเขาเวลานั้นสมาธิจะง่วงครับเขาอยากจะรู้ว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเขาครับเคลื่อนไหวเป็นนะถ้าง่วงก็เคลื่อนไหว ยืนหรือเดินหรือทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างกวาดบ้านอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆถ้าที่บ้านมีต้นไม้ลดต้นไม้อะไรก็เห็นร่างกายลดต้นไม้เห็นร่างกายทำงานเห็นร่างกายทำกับข้าวอะไรเงี้ยดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆเหมือนดูคนอื่นดูด้วยใจสบายๆนะใช้ได้อยู่ที่ภาวนานะ คือสมัยก่อนเขาจะดูเวทนาครับเขาอยาจะรู้ว่าต่อไปเขาคนทำยังไงต่อครับใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะใจยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นเราหายใจไปพุโทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยทำบ่อยๆเพิ่มสมาธิก่อนพอใจเรามีสมาธิมากขึ้นแล้วเนี่ยจะไปดูกายหรือดูเวทนาอะไรก็ดูได้ทั้งนั้นแหละ ขอให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นก่อนสมาธิยังไม่พอใจอยังฟุ่งเกณฑ์งั้นไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปทำไปเรื่อยๆอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบแล้วใจจะไม่สงบหายใจเล่นๆไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอย่างสบายใจใจสงบมีแรงแล้วก็มาดูร่างกายมาดูความรู้สึกทางร่างกายอะไรอย่างี้ทำได้อยู่แต่ขั้นแรกทาสมาธิก่อน แล้วถ้าทำสมาธิอยู่แล้วจิตมันหนีไปหนีไปคิดหนีไปฟุ้งซ่านหนีไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจอรเงยรู้ทันว่าจิตมันหนีไปะเราสมาธิเราจะ ด, ดีขึ้นดีขึ้นจิตตั้งมั่นไม่หนีไปไหนพอสมาธิดีแล้วเราก็มาดูกายดูเวทนาได้คนนี้เล็กมากกี่ปีแล้วหกขวบครับ ขอควบเล็กไปหน่อยนะวาไปเขาว่าเข า, เขาเพราะว่าเอ่อความรู้เสึกก็คือรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองรู้แต่อยู่ในชีวิตประจำวนันคือจะไม่ค่อยมีสติเขาอยากรู้ว่าเวลา น, นสมาธิทำยังไงจะไม่งูดงิดครับ ก็อย่าไปนั่งสิไม่มุนงิดหรอกพยายามหัรู้สึกตัวเรื่อยๆนะอย่างใจเราอยากกินขนมรู้ว่าอยากกินขนมใจเราอยากไปเล่นรู้ว่าอยากเล่นใจอยากนั่งสมาธิรู้ว่าอยากนั่งสมาธิคอยรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆเอาวันเดียวพอแล้วรู้ทันความอยากในใจของเรามันเกิดทั้งวันอะ เดี๋ยวอยากดูหนังเดี๋ยวอยากไปเที่ยวเดี๋ยวอยากกินของอร่อยอร่อยอะไรเนี้ยรู้ทันใจที่อยากบ่อยๆนะความอยากเกิดแล้วรู้ความอยากเกิดแล้วรู้รู้ไปเรื่อยๆ เ, เด็กคนนี้มีบุญอยู่นะใส่ปิ้งเลยใส่มากๆนะไปไปดูใจที่อยากนะมันอยากอะไรก็รู้ทันไปแล้วทุกวันก็สวดมนต์ไป อุ้ยนี่ก็เล็กเหมือนกันคนนี้อายุเท่าไหร่เก้าเกาอายุเก้าปีครับอเก้าปีขั้นที่แล้วหลวงพ่อเคยแนะนาําเขารู้สึว่ารู้สึกตัวเยอะขึ้นจะเป็นอัตโนมัติเขาอยากจะข อ, อกำบันต่อครับเขาหัดรู้สึกตัวบ่อยๆนั่นแหละการปฏิบัติถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่ได้ปฏิบัตินะงั้นเรารู้สึกตัวเรื่อยๆเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ ก็ทำต่อไปนะที่ทำมาใช้ได้หนูไปดูพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งใจของหนูเป็นคนคิดเก่งมันช่างคิดเวลามันฟุ้งซ่านมันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะรู้ทันว่ามันแอบไปคิดแล้วมันหลงไปคิดแล้วมันแอบไปคิดได้เองนะคอยสังเกตไปใจมันหลงไปคิดได้เองเราคอยรู้ทันฝึกนะอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วทำกรรมฐานอย่างที่เคยทำนั่นแหละเราจะได้พัฒนามากขึ้น เ ข, เขาอยากจะรู้ว่าเขาเดินปัญญาหรือเปล่าครับเขาอยากปฏิบัติเยอะไปใจมันมีความโลภมันอยากดีอยางี้อยากปฏิบัติดีๆให้รู้ทันใจของเราไปเลยนะตรงที่เรารู้ทันเห็นใจมันโลภขึ้นมาแล้วความโลภดับไปตรงนั้นเรียกว่าเดินปัญญานะ เขาเป็นคนอยากดีไงอยากดีมันก็ใจมันจะดิ้นรนเยอะนะงั้นต่อไปนี้ใจเราอยากดีขึ้นมารู้ทันมันเข้าไปเลยเห็นความอยากดีเกิดขึ้นอยากปฏิบัติเกิดขึ้นอยากรู้สึกตัวทั้งวันอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยรู้ทันใจนะเดี๋ยวก็พัฒนากว่านี้อีกทั้งนี้ คงไม่ต้องแปลมั้งนั่งแต่กรุ่มออกมาทีมนี้เ็ายกมือเร็วมากนะว่าบอกใครจะส่งกันบ้านนะเขายกกันพรึบเลยกราบนรรมส ก, การพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋อว่าไง น, น, นานๆ ม, มาครั้งครับยังมารับจิตอยู่เปล่าออตอนนี้ตอนนี้เพงุ้งครับ แล้วก็จาเป็นจะต้องส่งเพราะว่าจะได้นําไปภาวนาต่อไปครับผ ม, มเพราะว่านานๆผมมาทีครับผ ม, มว่าที่ภาวนาที่ใช้ก็คือดูกายดูใจอืมมีถูกยังไงพระสารช่วยผมแนะนํำเลยครับผมก็ดูเป็ดแล้แหละนะแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมดูออกครับเออถ้าออกก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะ ค, ค, ความยากมันอยู่ตรงที่จิตถึงฐานโดยที่ไม่ได้เจตนานะั่นแหละถ้าจิตถึงฐานโดยไม่เจตนาแล้ว ขันห้ามันสอนธรรมะเราเองอะคครรัับบนะจุดอ่อนนี่ก็คือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเยอะไปนะมีการปฏิบัติดูออกไหมครับก็ปัญญามันล้มหน้าไปเอออย่าให้มันล้มไปครับนะปัญญามันล้มไปคือชอบชอบคิดพิจารณาครับไม่เอาไม่เอานะให้รู้เอารู้อย่างที่เป็นครับปัญญาลั้มไปใจมันมันจะภาวนาไม่ได้ ครับผมมันเป็นไม่แม่ของจริงรมันเป็นเรื่องที่คิดเอาครับผมน่นอยู่หลังห้องกราบขอโอกาสครั บ, ข อ, อรบขอเห็นหน้าตาก่อนเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อบอกก่อนห้ามพูดยาวห้ามฟาุ้งซ่านนะพูดเท่าที่จำเป็นเอาว่าไปอืม เล่พูดไม่ออกเลยมีมีสภาวะธรรมส่งในปีสามเดือนครับออแล้วก็จะมาให้หลวงพ่อตรวจการบ้านออสองข้อที่หลวงพ่อให้ไปครับเออใจมันฟุ้งเก่งอ่ะดูออกไหมที่หลวงพ่อให้ไปคืออย่าส่งจิตออกนอกนั่นแหละมันฟุ้งแลยหนีหนีนีนไปให้เห็นความคิดก่อนจะพูดอืมรู้ทันไหม ก็มีครับมีรู้บ้างนั่นแหละตรงนั้นแหละของสำคัญนะไม่งั้นเราจะกระโจนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็ลุยแหลกเลยนะหลวงพ่อจาไม่ได้หรอกว่าเคยมาส่งกานบ้านปีกลายอะไรเงี้ย น, นะแต่หลวงพ่อเห็นโอ้มีร่องรอยของนักพูดนักคิดนะถ้าพูดแล้วไม่เลิกอะ่ะเป็นเพศลุยแหลกนะเลยต้องรีบเรกงไว้ก่อนอย่าคุยเยอะนะตรวจการบ้านให้เลย ที่ภาวนามาเจริญขึ้นนะขันแยกเป็นธรรมชาติขึ้นนะต่อไปนี้ดูจิตใจเขาทำงานอย่าไปหลงอยู่ในความคิดอย่าพูดเยอะพูดเท่าที่จำเป็นนะการพูดเป็นจุดน่อยของเรามันจะคิดเก่งมันจะยิ่งคิดอุตรุดเลยไปดูตรงนี้แหละขอบคุณครับภาวนาได้ดีขึ้นเยอะนะน่าทึ้งสแสดงว่าที่หลวงพ่อสอนไปเนี่ยได้เอาไปทาจริงๆ นะไม่งั้นใจเราออกนอกไหลฟุ้งๆไปตลอดเวลานะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใช้ได้ครูบาอาจารย์สอนแล้วไปทำบางคนมันไม่ทำหรอกถึงเวลาก็ามาถามใหม่ก็ไม่มีอะไรพัฒนานะนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะส่งมากล่ำน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อทำมือลงได้แล้วหนูค่ะ ยกใหม่ขึ้นะเอาป้ายลงแต่เอาใหม่ขึ้นไหม่ตั้งอย่างนี้ตั้งตั้งเสียงๆอย่างนี้เหรอคะเอออย่างนั้นแหะแบบล้องคลราโอิกค่ะก็เอ่อเรื่องที่อยากจะมาถามวันนี้คืออยากจะถามเรื่องจิตที่มีความหลงในตนเองเยอะอะค่ะจิตอะไรนะจิตที่มีความหลงในตนเองเยอะอะค่ะมีความอะไรหลงในตนเองอะค่ะหลงหลงยังไงหลงว่าเราเก่งเราดีอะไรแบบนั้นนะคะให้รู้ทัน ตัวนี้ดูยากนะะถ้าหนูเห็นจิตที่มันหลงตัวเองได้เนี่ยหนูเก่งน ะ, ะมันเป็นกิเลสที่ดูลําบากมากเลย<อ>แล้วมันจะเป็นกิเลสที่น่าอายเพราะเรารู้นะเรารู้สึกน่าอายใช่ใช่ค่ะน่าอายมากเออดีแล้วล่ะพาวนานได้ดีถึงจะเห็นนะะตัวนี้ดูยากไปดูต่อต่อไปกิเลสอะไรเกิดรู้ไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วความหลงตัวเองมันก็จะน้อยลงน้อยลง ตรงที่เราหลงตัวเองเนี่ยเราก็จะไปยึดมั่นในความคิดเห็นของเราเองอ ะ, ะเป็นผลพวงที่ตามมาอพอเรายึดมั่นความเห็นของเราเองมากเราก็จะขัดแย้งกับคนอื่นมากแล้วคนก็จะไม่ชอบเรามากด้วยเ่ราะฉนะนั้นถ้าเราแก้ที่ต้นทางเรารู้ว่าเรายึดในความเห็นมากนะมีเจ้าความคิดเจ้าความเห็นรู้ทันมันไปนะรนเราจะมีแต่เหตุผลนะ แล้วเราจะฟังคนอื่นเยอะขึ้นคนอื่นเขาก็จะยอมรับเราเยอะขึ้นมันจะตามมาเป็นลูกโซ่เลยอยู่ทางนี้กาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคนไทยหรอกเหรอค่ะเขาไปนั่งรวมอยู่กับคนจีน <laughs> อว่าไป ค, คืออยากทราบว่าตอนนี้อยู่ในทางไหมแล้วก็ขอการบ้า น, นะคะ่ะหนูยังฟุ้งเก่งอยู่ค่ะนะ <laughs> ใจฟุง้งซ<ม>่านก็ภาวนายากนิดหนึง่ง<ม>เพราะงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ <Okay. S 2> ทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วสบายใจอ่ะ <Okay. S 2> พุโทโธแล้วสบายใจก็พุโทโธหายใจแล้วสบายใจก็หายใจเอา <Okay. S 2> นะเอากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะทําบ่อยๆแล้วมันจะพัฒนาสมมติว่าถ้าดูลมหายใจเราบอกมันเผื่อไปคิดก็รู้ดีนนใช่ไหมค รูว Elliot, ้ว่าจิตเผลอไปคิดอันนั้นต้องการให้เห็นตรงนั้นแหละค่ะไม่ใช่ต้องการให้จิตสงบนะหรืออย่างขยับมืออย่างหลงพระเทียนเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบไปนั้นตื้นไปขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ลรวที่ผ่านมานี่มีถูกมั้งไหมคะมีแต่ว่ามันฟุ้งเก่งอ๋ออ๋ันฟุ้งซ่านยืนพื้นเลยหนะ ต้องทํำยังไงให้มันลดฟุง้งซ่านคือไม่ต้องไปดูเรื่องที่มันบริกรรม ไ, ไปเรื่อยๆเวลาฟุ้งซ่านมันจะหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ะนะงั้นแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเป ส, สปานะพามันมาคิดพุทโธหรือพุทโธธทำโมสังโฆอะไรก็ได้ห า, หาเรื่องให้มันคิดนะนะแล้วพอมันฟุ้งซ่านมันจะทิ้งความคิดเดิมทิ้งพุทโธไปจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้เร็วว่าโอ้ยหลงไปแล้วฟุ้งไปแล้ว ดังนั้นที่เราหัดพุดโทโธหัดบริกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อจะได้รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นะจะรู้ได้เร็วขึ้นของหนูไปปรับฐานสมาธิตัวนี้แหละ<อ>สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิก็ทกํากรรมฐานบริกรรมไปจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้นี่แหละแล้วสมาธิจะเกิดตัวที่จิตหนีไปเพราะว่าจิตฟุ้งซ่าน ตรงที่มีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านตรงนั้นจะมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นค่ะจะพยายามขึ้นค่ะดีไปทำาเอานะาสอนแล้วต้องทำนะสอนแล้วไม่ทำวงนั้นแหละ <c oughs> บางคนเรียนต้งนอนหลายสิบปีคนจีนหรือคนไทยอันนี้เขาชอบสงสัยตัวเองคือไม่พอใจกับตัวเอง ก็ไม่รู้ว่ากำอาวลอย่างไรอยากจะขอคำแนะนำจากหลวพ่อไม่ไม่อะไรนะสงสัยอะไรนะเออไม่เคยมั่นใจตัวเองครับอ๋อไม่มั่นใจนะก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งนะรู้ว่าไม่มั่นใจความไม่มั่นใจเกิดตอนที่เราคิดเท่านั้นแหละเหมือนกับกิเลสตัวอื่นแหละพอเราคิดไปแล้วกิเลสมันก็เกิดอย่างนี้เราคิดไปแล้วก็กิเลสเกิดขึ้นไม่มั่นใจตัวเองนะลังเลใจ หรือบางคนคิดไปแล้วอูเชื่อมั่นตัวเองนี่ก็กิเลสอีกเหมือนกันเชื่ออย่างแรงนะมันตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใจมันไม่มั่นใจให้รู้ว่าไม่มั่นใจความไม่มั่นใจก็เป็นแค่อารมณ์ตัวหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตรู้เท่าเทียมกับกิเลสตัวอื่นอนั่นแหละเวลาสงสัยเวลา ง, งงขึ้นมาเอ๊ะทาถูกหรือไม่ถูกนะรู้ว่ากําลังง ง, งรู้ว่ากําลังสงสัย ไปรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องหาคำตอบเราเรียนเนียเพื่อจะให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นเพราะฉนั้นอย่างความสงสัยเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาคำตอบเราก็แค่รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นเดี๋ยวความสงสัยมันก็ดับไปเองทุกอย่างเกิดแล้วดับเราต้องการเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแค่นี้เองไม่ได้ต้องการความรอบรู้อะไรทั้งสิน้น นะเพราะงั้นไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะั่งงงรู้ว่างงนะรู้ว่ากำลังงงเป็นความรู้สึกงงเกิดขึ้นนะแค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองเท่านะั้นแล้วจะเห็นว่าความรู้สึกงงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนะง่ายๆไม่ยากเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อจะสังเกตหลวงพ่อชอบพูดคำว่าไม่ยากหรอกง่ายๆ เราพูดมาด้วยความเคยชินนะะเป็นจิตใต้สํานึกนะรู้สึก ง, ง่ายง่ายไม่เห็นจะมีอะไรเลยกิเลสเกิดแล้วรู้ว่ามีกิเลสไม่จะยากอะไรอนะ่ะคนทั่วไปอพะพอกิเลสเกิดนะมันจะไปดูสิ่งซึ่งย่อให้กิเลสเกิดอย่างคนมาด่าเรานะพอกิเลสเราเกิดโทสะเกิดเนะี้ยแทนที่เราจะรู้ว่ามีโทสะเราไปคอยสนใจไอ้คนที่ด่าเรานะยิ่งคิดถึงมันบ่อยๆะยินะย่งอาฆาตให้คิดถึงมันเรื่อยเลยนะ ไม่ยอมรู้ทันใจตัวเองเราใช้ชีวิตธรรมดานี่เองการปฏิบัติเพียงแต่ว่ารักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตหนีเรารู้หรือหายใจไปจิตไหลไปก็รู้นะไหลไปคิดก็รู้ไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้ในทุกวันซ้อมอย่างนี้นิดหน่อยสิบนหะ้านาทียี่สิบนาทีก็ยังดี เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันใจของตัวเองไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีจิตใจโลภโกรธหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่คอยรู้อย่างที่มันเป็นไปเลยได้แค่นั้นเองไม่ได้ฝึกว่าจะต้องดีตลอดเวลาต้องสงบตลอดเวลาต้องมีความสุขตลอดเวลาเราไม่ได้มุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบเพราะความดีไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงเราต้องการเห็นความจริงความจริงเป็นของเที่ยงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่างความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเช่นถ้าเรามีตัณหามีความอยากเราจะต้องมีความทุกข์ถึงจะมีพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็สอนอย่างนี้แหละไม่มีความแตกต่างไปไหมธรรมะเป็นของเที่ยงนะธรรมะเป็นของเที่ยงไม่ความจริงเนี่ยสัจจะเป็นของจริงของเที่ยง ส่วนความสุขความดีนะความสงบเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเือดแล้วดับเพราะฉะั้นเราต้องการอะไรเราต้องการความจริงต้องการเห็นความจริงความจริงก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิงั้นะอะไรที่เป็นตัวศาสนาพุทธแท้ๆนะถ้าใครก็ถามเราว่าอะไรคือศาสนาพุทธต้องตอบได้นะว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวแท้ตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิ เป็นเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ไอ้นั่นเป็นแค่อาการของทุกข์เท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวขันห้าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ตรงนี้แหละที่พวกเรายังไม่เห็นเราเห็นว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่รู้อริยสัจ ถ้าวันใดที่เรารู้ความจริงว่ากายนี้ทุกขร้นร้อนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะหมดความยึดถือกายถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างอนะะก็จะปล่อยจิตหมดความยึดถือในจิตเมื่อไม่ยึดถือก็จะไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกนะความอยากจะไม่มีนี้เราไปเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นของเรานะ มันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะมันรู้ความจริงแล้วว่ากายคือตัวทุกข์ใจคือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยากให้กายให้ใจมีสุขจะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากไม่มีนะไม่มีความอยากเกิดขึ้นจิตก็เข้าถึงความสงบสันติเรียกว่านิโรดหรือนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นปัญหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะงั้น ความอยากเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจของรูปนามขันห้าว่ามันคือตัวทุกข์เพราะฉั้นจะทําลายมันทําลายความไม่รู้ทําได้ยังไงก็คือหัดรู้ความจริงไปเพราะฉั้นเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเราหัดรู้ความจริงของกายเราหัดรู้ความจริงของจิตใจไปวิธีที่จะรู้ความจริงของกายวิธีรู้ความจริงของใจคือฝึกจิตให้เป็นคนดูแล้วก็ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็น แต่ถ้าจิตยังไม่เป็นผู้ดูนะจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันจะหลงอยู่กับกายกับใจมันดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกเพื่อนเราพยายามฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นี่ทำกรรมฐานสอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปรู้จิตหนีไปแล้วรู้ตรงที่จิตไหลไปน่ะจิตจะเสียจากความเป็นผู้รู้กลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไหลไปก็ไหลไปไหนไหลพคิด ไหลไปเนื้อไหลไปปรุงไหลไปแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันจิตที่ไหลไปเรื่อยๆนะทำกรมมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้อย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยบางทีก็จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีก็จิต ถ, ถลำลงไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบบางทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่ น, นทีจิตก็หนีไปอยู่ที่ท้อง เดินจงกรมบางทีจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือนะอย่างสายลงพระเทียนขยับมือขยับไปขยับไปบางทีจิตก็หนะะีไปคิดเรื่องอื่นบางทีจิตจะไปเพ่งใส่มือไหลไปอยู่ในมือนะเนี่ยให้รู้ทันจิตที่ไหลทำกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกแล้วแต่ความถนัดถนัดอะไรเอานั้นแหละแต่จุดสําคัญคือทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะ รู้ตัวนี้ให้ได้แล้วเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อไรรู้ว่าจิตเคลื่อนไปส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดนะงั้นครูบาอาจารย์จะเน้นที่คิดให้รู้ทันจิตคิดเพราะเกิดบ่อยที่สุดจิตที่ดูเนี่ยถ้าเราตาไม่ปลอดนะจิตที่ดูจะเกิดเป็นอันดับสองจำนวนมากอ่ะเป็นอันดับสองจิตที่ฟังเนี่ยลดลงมาเป็นอันดับสาจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสอะไรเนี่ยน้อยมีน้อยงั้นจิตส่วนใหญ่ก็คือจิตที่คิด จิตที่ดูจิตที่ฟังจิตคิดเกิดบ่อยที่สุดนะกระทั่งนอนหลับจิตยังคิดเลยคือฝันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดเนี่ยเท่ากับเรามีสติเกิดทั้งวันเลยเพราะว่าจิตคิดทั้งวันเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดห้ามไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายคิดอย่างนี้มีความสุขคิดอย่างนี้มีความทุกข์หลงคิดทั้งวันให้ทากรรมฐานอย่างหนึ่งนะที่เราถนัด แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์ก็รู้ไหลไปทำอะไรก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยสมาธิเกิดแล้วเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิาธชั่วขณะเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้เกิดสมาธิอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีสมาธิที่ฝึกใจแล้วเพ่งให้ใจนิ่งๆเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีประกอบด้วยสติถ้าขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยนะเราะฉนั้นต้องมีสติสติเป็นเครื่องมือรักษาอะไรรักษาจิตเพราะ้เราคอยรู้ทันจิตไปนะถ้าก็าเรามีสติอยู่เรื่อยๆจิตหนีไปแล้รู้จิตไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้นะรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้เคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดอะไรเนี่ยเรียกว่าจิตฟุงซ่าน จิตฟุ้งซ่านคือจิตมีโมหะมีกิเลสที่เรียกว่าอุทธัจจะเป็นตระกูลโมหะมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดจิตฟุ้งซ่านทั้งวันเลยวิ่งออกทั้งวันเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลส จำไว้เลยนะนี่เป็นกฎนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสกิเลสเกิดตอนขาดสติเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฝึกตัวเองจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้สติก็จะเกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นความฟุ้งซ่านถูกทำลายความตั้งมั่นคือสมาธิก็จะเกิดมาสมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรแค่ไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นจิตใจก็อยู่กับเ น, นื้อกับตัว พอจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยๆบางคนบอกว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ได้ไม่ได้เมื่อรู้ตัวแล้วต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คํานี้เลยจิตตั้งมั่นเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วให้โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่ อ, อยานทัศนะโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะก็คือ พาจิตมันเรียนรู้ความจริงของกายพาจิตมันเรียนรู้ความจริงของจิตใจจะได้เห็นวันหนึ่งจะเห็นนะตอนนี้ยังเห็นผิดอยู่ว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหัดดูไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ตลอดเวลาทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยจิตก็ทุกข์ตลอดเวลาแหละนะ <Cruise. S 1> ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบางังคับ เน่ยเฝ้ารู้ลงไปด้วยนะเพราอมันเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือกายเป็นภูมิของพระอนาคานะแล้ววันใดเห็นจิตเป็นทุกล้วนๆจะหมดความยึดถือจิตอันนั้นเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองจิตมันเข้าไปยึดอยู่นะเมื่อชาวพูดเรื่องพระเวสสันดรนี่ไหมเนะี่ยลึกลงมาเลยนะก็คือยึดตัวเองนะที่สอนทีแรกก็ สละสมบัติได้นะไม่หวงไม่งกมีเอาไว้พอกินพ่อใช้พ่อลงทุนพ่อทํามาหากินนะดํำรงชีวิตได้ไม่ใช่โลภไม่มีที่สิ้นสุดมีหมื่นล้านอยากได้แสนล้านมีแสนล้านอยากได้ทั้งประเทศอะไรย่างนี้อย่างนั้ น, น, นโลภไม่มีที่สุดโง่ไม่นานเตัวองก็ตายสมบัติก็เป็นของคนอื่นแย่งชิงมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเหลืออยู่บาทเดียวก็ไม่มีนะนั้น ถ้ารู้จักวางมีเท่าที่จําเป็นเป็นเครื่องอาศัยทาไมพราเรียกว่าปัจจัยปัจจัยแนละ้วเครื่องอาศัยมีแค่เครื่องอาศัยเท่านะั้นไม่ใช่เจ้านายเราท่านไม่เคยเรียกทรัพย์สมบัติเป็นเจ้านายเนะเป็นเครื่องอาศัยอาศัยปรุงแตง่งธาตุขันธนะ์สละอวัยวสะสละชีวิตนะสละ สิ่งที่เรายึดถือผูกพันสิ่งที่สลายากที่สุดคือกายกับใจของเราเองเราบอกเรารักลูกมากที่สุดทำไมเรารักลูกเพราะมันลูกของเรานตัวลึกๆคือเราเพราะงั้นตัวหัวโจรเลยสิ่งที่เรียกว่าเราก็คือกายกับใจนี้ระหว่างกายกับใจเนี่ยยึดถืออะไรเป็นเรามากกว่ากันยึดถือใจ ร่างกายเนี่ยทุกเดือนตัดผมไหมเป็นพระก็โกนผมใช่ไหมผมเป็นเราไหมตัดทิ้งไปแล้วขนขนร่วงบ้างไหมมีไหมขนร่วงร่วงแล้วเป็นเราไหมเอามาใส่พ้าอบห้อยคอไม่เอาเล็บต้องตัดไหมเล็บไม่เป็นเราใช่ไหมเพราั้นเวลาคนจะบวชพระนะมีพระวิ น, นัยกาหนดว่า อุปชาต้องสอนกรรมฐานห้าผมคนเล็บฟันหนังสอนทำไมสอนผมคนเล็บฟันหนังเพราะผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยแต่เดิมเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่มันเป็นของที่ตัดออกไปได้ฟันก็หลุดได้ใช่ไหมใครไม่เคยฟันหลุดเลยมีไหมถ้าโตโจนป่านนี้แล้วฝันไม่หลุดเลยเนี่ยจะไม่ใช่แล้วมันต้องมีฟันน้ํานมหลุดมาบ้างแล้ว รู้สึกไหมฟันหลุดแล้วเป็นของเราเองไหมเอามาห้อยคอบางคนห้อยจริงๆนะคนไปทําแหวนหวงน่อยของข้างนอกเนี่ยพอเห็นว่ากรรมฐานห้าไม่ใช่เราได้นะส่วนอื่นมันก็แบบเดียวกันกรรมฐานห้าเป็นของที่ดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเรานะเป็นร่างกายส่วนที่ดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่เราพอดูห้าอันนี้ชํานาญก็จะดูทั้งตัวนี้ได้ว่าไม่ใช่เราหรอก อาศัยอยู่ชั่วคราววันหนึ่งก็แตกดับมันไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเนีียได้พระโสดาบันแล้วแล้วมาร่างกายไม่ใช่เราแล้วร่างกายเป็นอะไรดูบ่อยๆไปร่างกายเป็นตัวทุกข์เมื่อเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์นะจะปล่อยวางกายคือปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นส่วนของกายขนาดตายังไม่ยึดจะยึดรูปไหม มันยึดรูปไม่ได้ยึดรูปไม่ได้ขนาดขนาดหูยังไม่ยึดจะไปยึดเสียงไหมไม่สนใจแนละ้วเสียงเพราะว่าหูมันไม่ได้ยินเสียงไม่มีความหมายนะนการที่เรายึดตาหูจมูกลิ้นกายนะมันทำให้เราเกิดกามาราคะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เราเกิดปฏิคะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เพะฉะ้ถ้าเห็นความจริงของกายเต็มร้อยนะั้นนะจะเป็นพราาาะนาคาลักามาราคาและปฏิคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะดูจิตไปเห็นความจริงชิตนี้คือตัวทุกข์บางท่านเห็นว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าอานิมิตตาบิโมกบางท่านเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์บีบขั้นแล้วหลุดพ้นจิตถูกบีบขั้นหลุดพ้นเรียกว่าอาปานิหิตตาบิโมก บางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราบังคับอะไรควบคุมอะไรไม่ได้ว่างเปล่าไร้สาระเรียกว่าสุญญาตาวิโมกข์ก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นการดูกายรู้ใจเป็นเรื่องสําคัญนะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่ไม่ยึดอะไรนั่นแหละ พอไหวัหมสอนอย่างละเอียดแล้วนะให้แผนที่ไปแนละ้วแผนที่นี่ละเอียดมากยิ่งภาวนาไปนะแผนที่ที่หลวงพ่อให้เนี่ยเหมือนแผนที่ Google แมปนะทางให้ละเอียดเข้าไปเป็นชั้นชั้นได้เลยหัดภาวนาทีแรกเห็นแต่แผนที่คร่าวๆรู้เลยจะไปเชียงใหม่ไปทางนี้นี้มีถนนอย่างนี้อย่างนี้ได้คร่าวๆนะพอ ลงมือเดินทางจริงก็ต้องดูละเอียดหน่อยใช่ไหมดูละเอียดละเอียดทางไปเรื่อยๆดูได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสุดท้ทายก็เข้าใจนะสิ่งที่ให้นี่คือแผนที่นะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ได้เท่านี้แหละคือท่านให้สอนวิธีปฏิบัติให้นะชี้ทางเดินให้หลวงพ่อก็จำมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะ ผ่านมาทางครูบาอจารย์ผ่านมาทางตำรับตำราพระไตรปิฎกอะไรพวกนี้กนะ็เอามาบอกพวกเราต่อเพราะ้รู้สึกการู้สึกใจไปเรื่อยๆนะรักษาศี่ห้าทุกวันทําในรูปแบบวิธาทําในรูปแบบเพื่อทํากรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแลวเวลาที่เหลือจเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้แหละตาเห็นรูปใจวิ่งไปทางตาเนะี่ยใจวิ่งไปทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งมีคิดอะไรเงี้ยใจวิ่งไปเรารู้ทันนี่เด็กเก่งที่สุดถ้าใจวิ่งแล้วยังไม่เห็นมันวิ่งไ ป, ไปแล้วไปสวยอารมณ์แล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วโลภโกรดหลองนะอันนี้ เ, เกิดหลังการลงไปก่อนนะถ้าดูได้เร็วที่สุด จ, จิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บนะนี่ดีที่สุดไวที่สุดถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นเคลื่อนไปแล้วไปทํางานแล้ว เกิดสุกเกิดทุกเกิดดีเกิดชั่วรู้ทันตรงนี้รู้ทันตรงนี้ก็ยังใช้ได้นะนั่นเวลาการดูจิตดูใจของเราเนียดูได้สองอันอันนึงดูความรู้สึกนานาชนิดที่หมุนเวียเนยเข้ามาในจิตอีกอันหนึ่งก็คือดูการทำงานของจิตมันวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปคิดอเงี้ยวิ่งไปวิ่งมานั้นดูการทำงานของจิต แล้วถ้าเราเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาอย่าไปดึงคืนนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่ไปดูก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปดูก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงแล้วไม่ต้องไปเอาคืนถ้าจิตหลงไปดูแล้วอุ๊ยหลงไปดูแล้วไปดึงคืนนะจะแน่นไปหมดเลยนะมันเป็นการแทรกแซงจิตนะไม่ใช่การเรียนรู้จิตนะจะเป็นการไปบังคับกดข่มจิตใช้ไม่ได้หลงแล้วก็หลงไปหลงแล้วนะหลงไปดู รู้ว่าหลงไปดูขณะที่รู้ว่าหลงไปดูไม่ได้หลงนะมันรู้เรียบร้อยแล้วมันหลงไปฟังรู้ว่าหลงไปฟังนะขณะที่รู้ว่าหลงไปฟังขณะนั้นไม่หลงแล้วจิตคนละดวงแล้วคือจิตรู้เกิดขึ้นแล้วเพรานั้นจิตนี้ไปคิดก็รู้นะแล้วไม่ต้องไปดึงจิตคืนมาจิตนี้ไปคิดเรารู้ในขณะที่รู้นันแะเกิดจิตรู้เรียบร้อยแล้ว ฝึกเรื่อยๆต่อไปจะเห็นจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ควบคุมไม่ได้จิตคิดก็ห้ามไม่ได้นะดูอย่างนี้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เห็นเลยจิตไม่ใช่เราจิตไม่ของไม่เที่ยงจิตไม่ของเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ฝึกเอาไม่ฝึกไม่ได้กินหรอกฟังเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องหรอกต้องลงมือทา ธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเรียนได้ด้วยวิธีเดียวคือการเห็นเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นนะสมควรแก่เวลาเสียงแห้งแล้วเชิญกลับบ้านดูสิจะช็อกแจ๊กจอกแจะไหมเห็นไหมเรียบร้อยกว่าที่เคยเป็น แต่เดี๋ยวตอนหลวงพ่อไปคุยกับพระเราก็ลืมแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จกแจ๊กจกแจ๊กในวัดเนี้ยนะตัวที่นกหูที่สุด น, นะชื่อนกกระรางหัวงอกมีหัวงอกด้วยนะนกกระรางหัวงอกเสียงมันเนี่ยสุดยอดเลย